ย้อนกลับไปในช่วงที่รายการผีอย่างเดช็ชกกาลังบูมสุดขีดกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการเล่าเรื่องผีออกอากาศทางวิทยุก็คือการไปพิสูจน์เรื่องเล่นลับตามบ้านร้างที่ต่างๆทั่วประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือสถานที่ที่เป็นตำนานแห่งหนึ่งอย่างบ้านตายายที่หมู่บ้านจัดสรรเก่าแก่ในอำเภอเมืองจงังหวัดสมุทรสาครติดอันดับอยู่ด้วย บ้านแห่งนี้เป็นทาวน์เฮาส์ขนาดสองชั้นตั้งอยู่ภายในโครงการบ้านจัดสรรริมถนนพระรามสองตัวบ้านนั้นอยู่ลึกเข้าไปจากทางเข้าหมู่บ้านพอสมควรบ้านหลังนี้มีผู้สูงอายุสองคนอาศาัยอยู่ด้วยกันตามลําพังตามภาษาขา้าราชกา ร, กรเกษียณอายุด้วยความที่เป็นหมู่บ้านสร้างใหม่ทำให้มีเพื่อนบ้านไม่เยอะนักว่ากันว่าภายในซอยของบ้าน มีบ้านคนเพียง4ี่ห้าหลังจากจำนวน20กว่าหลังจึงทำให้บรรยากาศในยามค่ำคืนค่อนข้างที่จะเปรี่ยวพอสมควรกลางดึกคืนหนึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นได้บุกเข้าไปทำการชิงทรัพย์และไม่รู้ทีท่าไหนเกิดการพลั้งมือฆ่าตาและยายทั้งสองคนเสียชีวิตขาบ้านซึ่งเป็นคดีคลึกโครมในช่วงเกือบ20ปีก่อนหลังจากเรื่องราวผ่านไป บ้านของตายายถูกทิ้งร้างเนื่องจากทั้งสองคนไม่มีลูกหลานชาวบ้านในละแวกนั้นจากที่ตอนกลางคืนวังเวงอยู่แล้วก็ยิ่งวังเวงเข้าไปใหญ่ไม่มีใครกล้าที่จะออกจากบ้านและผ่านหน้าบ้านในยามค่ำคืนเนื่องจากช่วงแรกๆที่เรื่องราวการฆาตกรรมตาและยายผ่านไปมักจะมีคนได้เห็นไฟภายในบ้านเปิดปิดเปิดปิดเหมือนมีคนกดอยู่เสมอ หลังจากที่หม้อไฟถูกตัดออกไปเรื่องราวแปลกก็ยังเกิดขึ้นไม่จบสิน้นแสงไฟเปิดปิดหายไปคราวนี้มักจะมีคนได้เห็นเก้าอี้โยกหน้าบ้านโยกไปโยกมาเหมือนกับว่ามีคนกำลังนั่งอยู่ทั้งทั้งที่ภายในบ้านไม่มีคนและเงาที่หน้าต่างภายในห้องนอนด้านหน้าบนชั้นสอง เหมือนเขมีคนยืนมองลงมาข้างล่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งทําให้ชาวบ้านต่างไม่กล้าที่จะเดินผ่านหน้าบ้านหลังนั้นอีกเลยไม่เว้นแต่รอรพอๆแต่ดูเหมือนว่ายิ่งนานวันเข้าเรื่องราวชวนคนวนลุกก็ไม่จบสิ้นง่ายๆคราวนี้ตาและยายได้ส่งต่อความสยองให้กับเพื่อนร่วมซอยถึงหน้าบ้านทุกๆกลางดึกบ้านไหนที่เลี้ยงหมา ก็มักจะได้ยินเสียงหมาเห่ากระโชกอย่างรุนแรงเหมือนกับว่ามีคนจะเข้ามาในบ้านแต่เมื่อเปิดม่านออกมาดูก็พบเงาเหมือนกับมีคนเดินผ่านหน้าบ้านซึ่งตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นขโมยจึงระวังตัวมากขึ้นแต่เหตุการณ์ที่พวกเขาจะได้เจอต่อไปนี้ก็ทำให้พวกเขาตัดสินใจขายบ้านไม่ก็ปล่อยทิ้งจนทั้งซอยกลายเป็นซอยร้างกลางดึกคืนหนึ่ง ทุกคนในซอยต้องสะดุ้งตื่นพร้อมๆกันจากเสียงหมาเห่าที่ดังลั่นซอยทุกคนต่างพากันออกมาหน้าบ้านเพื่อค้นหาสาเหตุที่หมาเห่ากันอย่างบ้าคลั่งทันใดนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของชายและหญิงสูงอายุดังขึ้นจากทางเดียวกับบ้านของตาและยายไม่ต้องถามอะไรกันทั้งนั้นทุกคนต่างเข้าใจว่ามันคือเสียงอะไร และไม่ต้องบอกอะไรทุกคนต่างรู้หน้าที่ที่ตัวเองจะต้องวิ่งกลับเข้าบ้านนอนคลุมโปงเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแทบจะวันเว้นวันซึ่งสร้างความสยองให้กับคนที่อาศัยอยู่ในซอยซึ่งคราวนี้ไม่ต้องผ่านไปหน้าบ้านของตายายก็สามารถสัมผัสกับมันไปพร้อมๆกันถึงที่นอนจึงทาให้ทุกบ้านพร้อมใจกันย้ายออกโดยไม่ได้นัดหมายกันทาให้ซอยนี้ กลายเป็นซอยร้างทั้งซอยและกลับมาเป็นตำนานแห่งความหลอนที่วัยรุ่นมหาชัยร่วมไปถึงที่อื่นๆต่างพากันมาลองของซึ่งแน่นอนว่าได้ประสบการณ์สยองกลับมาทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ